เอกสูตรหนึ่งนะครับที่พานนาถึงเครื่องผูกที่ไม่มีไอะไรที่มันจะผูกหนักกว่านี้อีกแล้วนะครับสุดยอดของสิ่งที่ผูกมัดอย่างนั้นนะบางอย่างมัดหย่อนหย่อนแต่ไปไกลขนาดไหนก็กระตุกกลับได้นะครับไอเครื่องมัดชนิดนี้คือตันหานั่นแหละครับนะครับถึงจากกันไปทํางานที่อื่นมันก็กระตุกกลับเป็นขาน้างข่าวนีตันหาเนี่เช่นตันหาในบ้านในเรือนเนี่ยนะครับไปไกลขนาดไหนเนก็ตุกกลับแล้วไปต่อไม่ได้แล้วครับ นะพิวิจ่านี้มาไกลๆถึงเชียงรายเยงจะกระตุกกลับไปสุรินทร์รู้เปล่าไม่ทราบนะบมันกระตุกเรื่อยนะครับไม่ต้องงวงแล้วครับมันยัดย่อนไปเหอะมั้งั้นถ้าฉันกระตุกทีเดียวแกกลับเลยนะกามาสูตรนะครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นแม้สังโย์อันหนึ่งอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประกอบแล้วเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยตคือตันหานี้เลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลา ย, ลายผู้ประกอบด้วยสังโยตคือตันหาย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานะนะมันประกอบเอาไว้นะครับ ประกอบเนี่ยนะถามว่าเหมือนกับมันไขน็อตเอาไว้ขันเกลียวขันชะนอขันอะไรมัดประกอบร้อยรัดอ่ะนะนี่แหละครับแล้วก็สัตว์ก็เล่นไปนะเพราะมันประกอบไว้แล้วนะครับไม่ให้หลุดหรอกครับไม่มีนะครับน็อตหลุดอย่างนั้นแต่เนียมันอาจจะหลุดเป็นบางส่วนนะแต่มันก่ออันใหม่ไปอีกมันหาเครื่องผูกมัดอันใหม่นะเช่นแขนขาดขาขาดไม่ไปได้เดี๋ยวแกเกิดใหม่ฉันให้มีอีกเนี่ยนะมันก็ผูกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับถ้าหากว่ามีตันหาเป็นเพื่อนสองเนี่ยนะมันกระซิบนะตันหามีกระซิบบอกอนี้ที่ไอ้ขั้นไม่เอานะจะเอาอย่างนี้อย่างงี้ตันหาก็จะกระสิบแบบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ท่องเที่ยวไปไม่พ้นสภาพแบบนี้นะครับปัญหามจะดีเท่านี้หรือเปล่าเพราะเท่านี้เนี่ยยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีภาษาศาสนาอยู่ถ้ามาเป็นคล้ายๆแบบนี้ตอนที่หมดภาษาศาสนาเน่แย่นะครับเีย่ยนะไม่พ้นสภาพแบบนี้ไปได้แ้วก็ไม่พ้นอย่างอื่นอีกไม่อยู่แบบนี้มันก็ไปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับที่ร้องร้องเนี่ยไปเป็นได้หมดเลยสามารถจะไปเป็นอีกได้หมดเลยถ้าจิตเป็นบาป ปฏิสนธิในครันของสัตว์เหล่านั้นได้หมดนะครับปลาทุกตัวเนี่ยนะที่มันกําลังฟักไข่มีไข่เนี่ยนะสามารถปฏิสนธิในไข่เหล่านั้นได้หมดเลยหรือว่าเป็ดทุกตัวห่านทุกตัวหมูทุกตัวไก่เกือบทุกตัวพอพายคันผู้หญิงเกือบทุกคนเนี่ยนะครับที่พอจะตั้งครันได้นะมีสิทธิ์ไปอยู่ในนั้นได้หมดเลยนะครับนะมีสิทธิ์เนี่ยนะครับหลังซ่วมหลังบ้านคนทั้งหลายมีสิทธิ์ปฏิสนธิในที่นั้นหมดเลย ไอ้กระดึบกระดึบกระดึบไปเนี่ยนะเหมือนเข้าศสารนี่ก็ไปเป็นในนั้นในหมดนะครับไม่ต้องห่วงนี่แบบเดรัจฉานนะครับถอาบายไปเองนะครับแต่เทวดานี่พยายามนึกถึงบุญเข้าไว้พระคุณเจ้าเหงกันถ้าลืมบุญเมื่อไรก็อย่าหวังเลยเทวดามันก็ไปเรื่อยอยังไงละครับภิกษุรู้ตัณหาซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งทุกนี้โดยความเป็นโทษแล้วเนี่ยนะไอ้รวนี้คือโทษนะเพราร ว, ว่าผ้หันเนี่ยนะ ท่านมีกําลังอย่างหนึ่งท่านมองไอ้โลผ้านั้นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงนะครับมองเห็นจะว่าพงไม่มีเออผ้าฐานไม่มีในจิตของท่านแล้วแต่ท่านเห็นของใครก็ช่างเถอะเหมือนหลุมฐานเพลิงไอ้โลภานั้นน่ยเพราะท่านมองยังไงท่านไม่ได้มองแบบเราหรอกท่านมองว่าสมมุตินะเรามองเห็นสีเราก็ยินดีแบบเรื่องราวเฉพาะหน้าของเราแต่ท่านอย่างถึงปฏิสนธิในภพต่อไปท่านจะมองแบบนั้นตลอดนะครับแล้วท่านจึงเห็นโทษมากนะ โลพาเกิดเนี่ย น, นี่นำเกิดได้หมดเลยนะครับโลพาแต่ละโลพาสามารถนำเกิดได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้ว่าตันหาเนี่ยนะซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งทุกนี้โดยความเป็นโทษแล้วเป็นผู้ปราศจากตันหาไม่ถือมั่นนะไม่มีความไม่มีอุปาทานการมุปาทานทิฏฐปาทานสีและพะุตธปาทานอตตวาทุปาทานในทุกขันแล้วก็มีสติ คือมีสติเพึงเว้นรอบหมเพราะว่ามีสติทุกอิริยาบถไม่มีเวลาไหนที่เว้นจากสติก็เป็นผู้มีสติภัยบุญก็คือเป็นพระอระหันนั่นเองเขาบอกว่าพอใช้คําว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะคิดยังไงครับโดยมากก็ไม่อยากทําอะไรแล้วพอฟังคําว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่อยากทําอะไรล้อยากจะปล่อยช่วยๆนั่งสบายๆพอฟังคําว่าไม่ถือมั่นอันที่จริงเป็นอย่างนั้นไหมครับ ไม่ก็ที่ฟังฟังมาก็รู้สึกเจาะคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่ถือมั่นอย่างที่หลวงพ่อบางองค์บอกว่ากะโทนปัสวะยังไม่เทเลยอ่ะนะไปเป็นหมดอย่างนั้นค่ะปล่อยวางทุกอย่างครับวางความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันก็จะเบาสบายโล่งครับโล่งไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็วางอย่างนั้นนี่เป็นมักมีองค์แปดข้อไหนครับสัมมาทิฏฐิผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาแนะนํามานี้ก็เลยทดลองทําก็รู้สึกดูดี สบายใชครับสบายครับเข้ามร์มีองคไหนครับองแปดเนี่ยเ น, นื้อไม่ออกสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาทสี่อินทรี่ห้าพละห้าโ พ, พชงเจ็ดอริยมร์ประกอบด้วยองแปดนะครับไอ้ที่ว่านี่มันเข้าไหนบ้างครับไอ้ที่วางหมดเลยเข้าพักวินัยปิดกสุตันตาปิดกอภิธรรมปิดกนะครับเข้าปิดกไหนบ้างพอที่จะอนุวัตว่าเออเนี่ยข้อปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ใช่ผมจะไปทําบ้างจะวางทุกอย่างเลยนะ ถ้าอย่างงั้นจะต่างอะไรจากปัญญาอ่อนครับอนะอย่างถ้าหากว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้นะแล้วก็อย่างว่ากระทนขี่กระทนเที่ยวอาจไม่ได้เทนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอาจไม่ได้เทให้แต่ท่านก็ทําใจหมายความว่าคือไม่ไม่ไปโกรธเขาอะถึงไม่เทก็ช่างัวมันออคือนะเรื่องนี้หมายความว่าลูกศิษย์ที่ฟังเรื่องปล่อยวางไม่ถูกนะคะเนี่ยนะฟังคําว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะก็คือแปลว่าปล่อยวางนั่นเอง เสร็จแล้วก็กระโถนเยี่ยวของตัวเองนะครับไม่ได้ไปประพฤติวัดเรื่องเกี่ยวกับประพฤติวัดเวัอะไรหรอกครับหมายถึงกระโถนเยี่ยวในปสัสสาวะในห้องท่านนั่นแหละครับไม่เทวังั้นนะนะไม่ใช่ของอาจารย์นะแต่ว่าลูกเสร็จ ท, ที่ไปฟังไอ้ข้อปฏิบัติอันนี้ผิดพลาดนะนะถึงบอกว่าอะไรก็ปล่อยวางหมดนะครับหนักๆเข้าศีลจะรักษาหรือเปล่าถ้าปล่อยวางแบบนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ถือมั่นหรือปล่อยวางเนี่ยถ้าคําว่าปล่อยวางนี่มาจากบาลีว่ามุตินะครับหลุดพ้นนะ่ะนะวิมุตต์นั่นเองนะครับ บาลีต้องมาจากวิมุตแล้ววิมุติมีอะไรเป็นอาหารใช่ไหมครับอ e ่าว hmm. ิมุติมีอะไรเป็นอาหารโอ้มีนิพพิทาเป็นอาหารนิพพิธามีอะไรเป็นอาหารยะถาภูตยานทัศนะเป็นอาหารยะถาภูตยานทัศนะมีอะไรเป็นอาหารมีสมาธิเป็นอาหารสมาธิมีอะไรเป็นอาหารมีสุขเป็นอาหารสุขมีอะไรมีปัสสทธิเป็นอาหารปัสสทธิมีอะไรเป็นอาหารปีติเป็นอาหารปีติมีปราโมทเป็นอาหาร ปราโมดมีอวิปติสารเป็นอาหารอาวิปติสารมีกุโซลศีนเป็นอาหารกุโซลศีลมีฮิริโอตะปะเป็นต้นเป็นอาหารนะกว่าจะไปหลุดพ้นในที่ว่าปล่อยวางเนี่ยนะก็วางก็บาลีว่าหลุดพ้นนั่นเองนะครับไม่ถือมั่นนั่นเองนะครับมาระดับสูงแล้วถถนะครับระดับขณะอริยมรรคแต่คําว่าถือมั่นเนี่ยเป็นชื่อของกามุปาทานคำว่าถือมั่นนะเป็นชื่อของทิฏฐุปาทานเป็นชื่อของศีละพัตุปาทานเป็นชื่อของ อัตวาทุ ป, ปาทานเช่นตามองเห็นเนี่ยนะถ้าโลภะเกิดเนี่ยชื่อว่าถือมันแล้วถ้ามีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดนะในทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนี่เรียกว่าทิ่ถูก ป, ปาทานวันนี้ได้วันนี้ได้รับถวายนิสอบมาเนี่แหมรู้สึกกําลังอยากได้พอดีเลยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้พอเห็นปุ๊บล้วก็พอใจอย่างนี้ก็อุ ป, ปาทาน ก, กาเต็มที่แล้วกามอุปาทานเต็มที่เล้นะ มอวิชชาพาไปก็เป็นการมุปาทานไปถ้าหากบอกอู้อเอาอะไรมาให้เนี่ยอย่างเงี้ยสมมตินะอู้อเอาอะไรมาให้เนี่ยอันนี้เป็นอะไปาทานอันนี้เป็นโทสะนะครับไม่เป็นอุปาทานเพราะโทสะไม่ยึดใช่ไหมครับแต่ถ้าโอ้โหนี่นะมีผู้บันดาลให้นะเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับที่ถูกปาทานอ้โหมันเกิดลอยลอยอะนะฟลุกวันนี้ฟลุกฟลุกนะนีมันอยากได้มันอยากเกิดมันก็เกิดของมันเองอันนี้เป็นอะไรปาทานที่ถูกปาทาน อนี่นะมาจากข้อปฏิบัตินี่นะเพราะไปเรียนแบบแบบนั้นแบบนี้ทําให้มีลาบแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะไปไล่เวทมนต์โน่นเวทมนต์นี้เป็นต้นทําให้เกิดลาบอันนี้ขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของศีลพตูปปาทานสําคัญว่านี่มาบํารุงบําเรออัตตานะครับเนี่ยอัตตาอันนี้เนี่ยได้ใช้สอยของพวกนี้เป็นอัตวาทุปาทาน น, นะครับก็สําคัญเนี่ยสิ่งในขันท่าเนี่ยแหละครับว่าเป็นอุปาทาน เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอุปาทานนะพระองค์แสดงว่าศีเลปฏิทายะนโรสปันโยนะครับขั้นข้อปฏิบัติที่จะกําจัดอุปาทานก็เริ่มต้นแต่ศีนเมื่อเกี่ยวข้องกับวัตถุเป็นต้นเนี่ยสงฆ์ขอลงศีนให้ได้ก่อนเนี่ข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอุปาทานแบบหยาบๆก็คือศีลข้อปฏิบัติที่กําจัดอุปาทานอย่างลึกซึ้งก็เช่นเจริญมรณ า, านุสติเนี่ย น, นะสมถะนะถ้าลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็ ก, การเจริญวิปัสนา ที่อนุวัตตามโพธิปัจฉิธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละครับจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อไม่ถือมั่นจริงๆไม่ใช่โอ้ยผมไม่ถือมั่นแล้วผมไม่ถือว่าคุณเป็นพ่อผมแล้วเงใช้ได้ไหมครับผมไม่ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฟุงเป็นลุงเป็นตะเป็นหน้าเป็นอาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นวัดเป็นวาเป็นนักบวชสมณะชีพรามผมไม่ถือซากอย่างเลยนะบางองค์หนักเข้ามาบอกพรรษาผมก็ไม่ถือแล้วเหมกัน เนะี่ยนพันสาก็ไม่นับถือแล้วโอ้โหหนักหนาสาหัสแล้วนะครับดูลัตตาตนะไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนะจะมันง่ายขนาดนั้นก็นวด น, นะครับนักบวชนุ่งลมหอมอากาศนะั่นแหละสมัยก่อนเขาเรียกอรหันกันทั้งนั้นนะครับถ้าจะไม่ถือมั่นขนาดนั้นนะะก็ไม่ต่างอะไรจากคนบ้าครับถ้าแบบนั้นนะถึงขนาดว่าอุปชายวัดอาจารยวัตดก็ไม่ประพฤติไม่อุปถาคมันไม่ใช่สักอย่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยที่ว่าไม่ถือมั่นเนี่ยผู้ที่แสดงก็คือพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าศีลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงสมถาวิปัสนาพระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้แสดงธรรมะบางอย่างควรกำหนดรู้เพราะพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้แสดง ธรรมะบางอย่างควรละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้แสดงธรรมะบางอย่างควรทำให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้แสดงเป็นผู้เจริญเป็นต้นนะกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษทำเปรียบด้ว่อยทำดำเปรียบเรื่อยทำเขาเจริญแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษเป็นต้นเนี่ยพระองค์ทรงแสดงนะครับไม่ใช่มานั่งใช้ใช้เจริญโมหะแล้วบอกนี่ไงปล่อยวางอะไรเงี้ยคนหน้าเห็นใจนะครับกรรมของสัตว์ทั้งหลายกรรมของผมด้วยต้องไปรับรู้อะไรก็ไม่รู้ นะครับอ่ า, า, าขนาดขนาดเอกลักที่ได้มาเนี่ก็พาได้ของใหม่เยอะเลยครับหรือไม่บางทีเนี่ยน ะ, ะไอ้คาว่าปล่อยวางบางท่านกับคําว่าอนัตตาของบางคนไม่ต่างกันครับเพราะมันอนัตตาก็เออปล่อยวางอีกเหมือนกันทุกอย่างอนัตตาปล่อยหมดเลยไม่ว่าลูกว่าผัวว่าเมียว่าอะไรปล่อยหมดเลยเพราะอนัตตามันเป็นไปตามปัจจัยของมันคนเดียวเหมนะือนกันอนัตตาแบบนั้นก็เลยทงอีกนะครับ ถามว่ากุศลเนี่ยใครเป็นคนแสดงพระพุทธเจ้าอนัตตาใครแสดงพระพุทธเจ้าเพราะอนัตตาบางอย่างให้รู้เธอว่าเป็นกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอัพยากตะอนัตตาบางอย่างเป็นกรรมอนัตตาบางอย่างเป็นผลของกรรมนะครับอนัตตาบางอย่างเป็นข้อปฏิบัติเพื่อตกนรกนะอนัตตาบางอย่างเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นเดรัจฉานอนัตตาบางอย่างเพื่อ สุขตินะครับเช่นอนาตตาประเภทโทสะนี่นรกอนาตตาประเภทโมหะนี้เป็นเดราชานอนาตตาประเภททิฏฐิก็นรกเหมือนกันหรือเดรชาณนะครับนรกกับเดรชาณนถ้าทิฏฐิพง<ม>บอกว่าผู้ที่สมพัพังพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยนะคติสองคือนรกกับเดรชานทิฏฐิก็อนาตตานะครับแต่อนาตตาแบบนี้นรกกับเดรชานทานศีลภาวนาก็อนาตตาแต่เพื่อสุขติเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น กรรมและผลของกรรมพระผู้มีพระภาคก็แสดงความเพียรพระองค์ก็เป็นผู้แสดงฉนั้นความเพียรก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงข้งความเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามปัจจัยแต่ปัจจัยบางอย่างถ้าไม่เกิดตกนรกเช่นกุศลธรรมถ้าไม่เจริญไม่พ่อโพ น, นี่นะครับกุศลเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยเป็นปัจจัยให้ตกนรกนะครับนะเช่น อนัตตาที่เป็นทุจริตเกิดมากๆอนัตตาอย่างนี้พาตกนรกนะครับเดี๋ยวก็ว่าเออนรกกว่านัตตาอีกนะครับเออใช่นรกกว่านัตตาก็ไม่เถียงอะไรเพราะไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นหรอกครับแต่ถ้าหากว่าเลยทงก็ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปก็โอ๊้ปล่อยหมดเลยแล้วอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันมันก็ควรจะเกิดนะน้ําจะท่วมให้มันท่วมไปะนะครับไฟจะดับก็ให้มันดับไปเนี่ยนะครับอะไรอะไรก็ให้ อะไรจะเกิดให้มันเกิดตายเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าคิดแบบนี้พระ อ, องค์ออกบวชไหมนะครับจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกในโลกไหมพระ อ, องค์ตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติสัตว์ทั้งหลายจะล่วงพ้นได้ล่วงพ้นจากทุกได้เพราะความเพียรไอ้ความเพียรก็เป็นอนัตตาแต่ความเพียรเนี่ยนะครับนับเนื่องในมรรคเป็นตาเพื่อความพ้นจากทุกขแต่อันนั้นเป็นพาเวตาธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนะครับ เป็นธรรมที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจับหลักอริยสัจมามาตั้งนะครับเราจะรู้ว่าอนัตตาที่เป็นทุกขสัจควรทําปริญญาอนัตตาที่เป็นสมุทัยสัจควรละนะครับอนัตตาที่เป็นนิโรสัจควรทําให้แจ้งอนัตตาที่อยู่ใน ฝ, ก ฝ, ก ฝ, กฝกักฝ่ายแห่งมรรคสัจควรเจริญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยอะไรจะเกิดกับปล่อยมันปล่อยมันนะครับไม่ใช่นะยังไง ในอัธกถาการมาสูตรต่อไปว่าชื่อว่าสังโยชน์พระอัฏฐาว่าผูกมัดบุคคลผู้มีสังโยชน์ไว้ด้วยกรรมและวิบากอันเป็นทุกข์นะครับคือผูกกรรมกับวิบากเอาไว้นั่นเองนะครับไอ้คาว่าทุกข์เนี่ยในที่นี้หมายถึงมันไม่เที่ยงอนะกรรมก็ไม่เที่ยงผลของกรรมก็ไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ว่าไอ้ไม่เที่ยงบางอย่างก็หลายแสนปีอย่างที่กล่าวไปนะครับโดยเฉพาะนรกเนี่ยนะไอ้แค่จาก ปากหม้อถึงก้นหม้อนี่ก็สามหมื่นปีใช่ไหมครับนะขาขึ้นสามหมื่นปีขาลงสามหมื่นปีนี่นะครับรอบหนึ่งหกหมื่นปีนะในโลหกุมพีนรกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผูกเอาไว้แบบนั้นแหละครับหรือว่าไอ้คำว่าสังโยชน์เนี่ยนะก็คือมันผูกผูกมัดเนี่ยนะครับผูกมัดบุคคลให้เป็นไปในลําดับของภพของภพในภพเนี่ยนะ ของกำเนิดในกําเนิดจากคติในคติวิญญาณทิติในวิญญาณทิติสัตว์ว่าในสัตว์ว่าเป็นต้นนั่นนะครับมันผูกมัดไว้อย่างนั้นแหละครับชื่อว่าตันหาเพราะอัตถาว่าเป็นที่มาของความอยากนะสัตว์ทั้งหลายจักไม่อยากเด็ดขาดถ้าไม่มีตันหานผ้าหันะหละตันหาได้ทั้งความอยากใดๆจึงไม่มีสําหรับท่านแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีความอยากไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะครับสังขยาพระธรรมวินยัยะ้รหันทั้งหลายท่านั้นทํานะครับ เพราะฉะนั้นอะไรดีอะไรชั่วกิจทั้งหลายท่านก็จะบําเพ็ญกิจนั้นๆตามเยี่ยงอย่างภาษาสดาเป็นต้นนะครับแล้วพระาราหันยากินข้าวไหมครับคือถ้าโดยอํานาจของโลภะเนี่ยนะครับท่านไม่มีแน่นอนแต่ท่านรู้เรื่องของปัจจัยเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าความเป็นไปของขันทัศน์ยตนะควรจะได้รับอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะท่านรู้ว่าชีวิตของท่านถึงอยู่แต่ละวันก็มีประโยชน์นะครับ คนทั้งหลายได้ทําบุญได้ถวายทานเป็นต้นในท่านก็มีผลมากมีอนิสงฆ์มากท่านในฐานะเป็นนาบุญของโลกนะครับนี่โดยส่วนตัวของท่านแต่ถ้ า, าพลาดพิงในรักษิศาสนาท่านก็เป็นผู้เสิบทอดอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสู่อนุชนรุ่นต่อๆไปนะครับเพื่อว่าคนที่มีบุญญาบารมีที่จะได้สติปัญญาพอที่จะศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนเหล่านี้ของพระ อ, องค์ให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับ นะนะพระองค์ก็ทั้งทากิจอย่างเต็มที่เลยนะครับมันตันหาเนี่ยนะครับเพราะอถ า, าว่าเป็นทําให้สะดุ้งหรือหวาดเสียวนะสังเกตดูนะครั บ, เ ร, รบเราสะดุ้งกับเรื่องอะไรแสดงว่ามีตันหากับเรื่องนั้นนะครับนะสะดุ้งกับเรื่องอะไรหวาดเสียวกับเรื่องอะไรตันหาก็แสดงว่ามีตันหาในเรื่องนั้นยกตัวอย่า ง, ย, งยกตัวอย่างนะครับเช่นฟ้าผ่าเนี่ยนะครับ เราอาจจะรักตัวเองนะถ้าฟ้าผ่านี่โดยมากธรรมนาก็ถ้าใครถูกฟ้าผ่าก็ตายใช่ไหมครับบอกเปรี้ยงมาเนี่ยโหสะดุ้งเลยนะครับหวาดเสียวเลยในยพ่อรักตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับแปลว่าฟังเรื่องอะไรแล้วใจละห้อยอย่างหนึ่งนะันะเนี่ยนะนั่นแหละแสดงว่าจากเรื่องนั้นต้องมีตานาเข้าไปแทรกในจุดใจดใจุดหนึ่งอย่างแน่นอนก็เนี้เราประโยชน์ในป่าแบบเงียบสงัดจนหูมันวังเวงมันหวาดเสียวไปหมดอย่างนี้ก็ ก็แสดงว่ารัก <boundaries> นั่นเองรักต <ori> ัวนะเนื่องจากตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยกลัวตัวเองจะเป็นอันตรายอะไรนะครับกลัวจะมีปัญหาต่อชีวิตเป็นต้นแองนะครับอันตันหานี่เป็นตัวให้สะดุ้งหรือหวาดเสียวเช่นมีใครมาจี้ก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยนะนั่นนะคือเป็นผลของตันหานะครับแต่บางทีขนาดสะดุ้งก็อาจจะโท่สาก็ได้นะครับแต่ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยนะน่ะเพราะเนื่องหวังจากสิ่งใดก็สะดุ้งจากสิ่งนั้นนะครับนั่นนะ หวังจากสิ่งใดก็หวาดเสียวจากสิ่งนั้นนั่นแหละบทว่าสังยุตตาได้แก่ผูกมัดในอภินิเวศวัตถุวัตถุเป็นเครื่องยึดมั่นมีจักรสุเป็นต้นนะครับคือหมายความว่ า, าตันหาเนี่ยมันจะเกิดเกิดที่ไหนก็มีจักรสุเป็นต้นเนี่ยนะครับมันผูกมัดจกักรสุอาศัยจักรสุอันนี้เกิดขึ้นก่อนที่มีตันหาเป็นปัจจัยแล้วอาศัยจักรสุอันนี้ตันหามันก็เกิดมาอีกเพื่อมัดจักรสุอันอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันมัดเอาไว้จากวัตถุ ในฐานะ coaches, เป็นสมุทัยสัตว์นะครับตันหาเนี่ยอภินิเวศ ต, ตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับท่านแปลว่าความเครื่องยึดมั่นนะครับความยึดมั่นนั่นเองออภินิเวศเนี่ยนะครับบางทีหมายถึงความยึดมั่นแต่ความยึดมั่นนี้ที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มี อ, อวิปัสสนาก็เรียกว่าอภินิเวศเหมือนกันนะครับบางแห่งครับเป็นชื่อของวิปัสสนาก็มีเป็นชื่อของตันหาก็มีอันหนึ่งในที่นี้แม้อวิชาก็เป็นสังโยชน์และตันหา เป็นนิวรณ์ยังมีอยู่โดยแท้ถึงดังนั้นตันหาย่อมผูกมัดสัตว์ด้วยพบอันมีโทษที่ถูกอวิชชาปกปิดไว้นะครับทีจริงนะอวิชาก็เป็นนิวรณ์ตันหาก็เป็นนิวรณ์อวิชาก็เป็นสังโยชน์ตันหาก็เป็นสังโยชน์แต่ยกเอาชุดใดชุดหนึ่งในเด่นในสายนั้ น, น, นมาแสดงนะครับเพราะว่าตันหาเขาทําหน้าที่ผูกมัดพบเนี่ยนะเช่นพบเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ากรรมมาพบทั้งหลายเนี่ยนะ ตันหานี้มัดไว้อวิชชาปกปิดสิ่งนั้นเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความต่างกันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอวิชชาไว้ในสูตรก่อนโดยความเป็นนิวร์คือในโมหะสูตรนะว่าวิชานี้เป็นนิวร์ตรัสตันหาไว้ในสูตรนี้โดยความเป็นสังโยชน์ทางนี้เพื่อให้เห็นความเป็นใหญ่ของนิวร์และสังโยชน์นะครับว่าแต่ละอย่างนี่นะถ้า ความเป็นใหญ่ของนิวรณ์ก็อวิชาความเป็นใหญ่ของสังโยชน์ก็คือตันหาเหมือนอย่างว่าอาวิชาเป็นใหญ่และเป็นประธานของธรรมะเศร้ามองทั้งหลายพูดถึงความเศร้ามองหรือสังกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะครับอวิชาเนี่ยเป็นประธานโดยความเป็นนิวรณ์ชั้นใดตันหาก็เป็นใหญ่เป็นประธานของธรรมะเศร้ามองเหล่านั้นโดยความเป็นสังโยชน์ชั้นนั้น ที่จริงในขณะที่โลภภาพมูลจิตเกิดขึ้นนะครับขณะนั้นมีทั้งตัณหาและมีทั้งอวิชชานะครับตัณหาก็ผูกไว้ในอารมณ์อวิชชาก็กางกั้นกางกั้นกุศลไม่ให้เกิดตัณหาก็ผูกมัดเอาไว้นะครับเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความเป็นเป็นใหญ่ของธรรมะเศร้าหมองเหล่านั้นคือของตัณหาอาวิชชาเนี่ยนะครับจึงปรับธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ในสูตรทั้งสอง อีกอย่างหนึ่งด้วยความต่างการตรัสอวิชชาว่าเป็นนิวร์เพราะห้ามนิพพานสุข อ, อาอวิชชานี่ห้ามไม่เห็นไม่ให้เห็นนิพพานคือไม่ให้แทงตลอดอริยสัตว์นะครับตรัสตันหาว่าเป็นสังโยชน์เพราะผูกมัดสัตว์ไว้ในไว้ด้วยสังสารทุกข์ะนะคือไม่ให้เห็นอริยสัตว์ก็ผูกมัดไว้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละ สูทั้งสองตรัดไว้เป็นสองส่วนโดยทำอันตรายแก่การบรรลุหรือโดยเป็นค่าศึกของวิชาและจารณะอวิชาเป็นค่าศึกโดยตรงของวิชานะครับเช่นว่าอาวิชานี่ปกปิดทำให้ไม่สามารถระลึกชาติได้อวิชานี่หุ้มหอมไม่ให้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายอาวิชานี้หุ้มหอมไม่ให้แทงตลอดอริยสัตว์นะครับ แล้วก็ทําอันตรายอย่างยอดเยี่ยมแก่การเห็นนิพานและการเห็นที่ไม่วิปริตนะครับที่เห็นสัต จ, จะโดยความเป็นของจริงแท้เนี่ยนะอวิชานี้เข้าเป็นฆ่าศึกนะครับตันหาเป็นฆ่าศึกโดยตรงของจรณธรรมเพราะทําอันตรายแก่การบรรลุ ค, คือการปฏิบัติชอบด้วยประการชนิดใช่ไหมเนื่องจากตันหานี่แหละครับทำให้ไม่มีศีลเนื่องจากตันหานี่แหละครับทําให้ไม่มีอินทรีย์สังวร ตันหานี่แหละเป็นเหตุให้ไม่เจริญชาคริยานุโยคตันหานี่แหละครับทําให้ไม่มีโพชเนมะตานุตาตันหานี่แหละครับทำให้ไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปะไม่มีสุตะไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาอาวิชชาตันหานี่แหละทาให้ไม่ได้ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุธาฌานเนี่ยนะครับอวิชชาเนี่ยเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติชอบเหล่านั้นทั้งหมดนะครับ บุคคลนี้ถูกอวิชาหุ้มห่อทําให้มืดมัวพัวพันด้วยตันหาโดยประการทั้งปวงไม่ฟังคือไม่ฟังภาษาธรรมเลยนะครับมีกิเลสแน่นหนาผูกมัดดุจคนตาบอดย่อมไม่ก้าวล่วงมหากันดานมหากันดานคืออะไรครับชาติกันดานชรากันดานชราพยาธิมรณะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นกันดานทั้งนั้นนะครับทิฏฐิกันดานเนี่ยนะโอกากันดานเนี่ยมันทําให้ไม่ก้าวล่วงไปหรอก และสงสารกันดานนะครับไปได้เลยเนี่ยนะไม่ให้พ้นนะครับตาเนี่ยมันทำให้บอดอาวิชาทำให้บอดก็ปิดไว้ก็ปะอย่างนี้แหละนะครับเพื่อแสดงหมวดสองอันเป็นเหตุให้เกิ ด, กดความพินาศจึงตรัสสองหมวดนะครับโดยสองส่วนเนี่ยนะอาวิชาการตัหาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำให้สัตว์เนี่ยถึงความพินาศ จึงอยู่บุคคลที่มีอวิชาย่อมเสื่อมประโยชน์เพราะความเป็นคนโง่เขลาและทำความพินาศให้แก่ตนดุจคนไม่ฉลาดเดือดร้อนเพราะทำสิ่งที่ไม่เป็นสปายะนะครับคือหมายความว่าคนไม่ฉลาดเนี่ยเอามีดมาฟันมือฟันแขนฟันขามาทำตัวเองให้มันทุกข์ทรมานเป็นต้นเนี่ยนะอวิชาก็ลักษณะนั้นแหละครับถ้าส่วนตัญหาล่ะครับก็เหมือนกับ คนผ่านถึงจะรู้อยู่นะนะถ้าตันหามันกระซิบแล้วนะคนผ่านเนี่ยถึงจะรู้อยู่ก็เสื่อมประโยชน์เพราะความเป็นคนโง่และทำความพิราธแก่ตนดุจคนมีโรครู้อยู่ก็ยังเสพสิ่งที่ไม่เป็นสปายะเนี่ยนะครับนี่ลักษณะของตันหานะถามว่ารู้ๆอยู่นะแต่ก็อดไม่ได้นะอนุภาพของตัญหานี่นะครับนะนะก็บอกว่าเหมือนมกตาเลโปรปรมาสูตรนะครับ เป็นตัวอย่างของเรื่องนั้นนะครับผมยังไม่เคยค้นเลยว่ามากตาเลโปโปมาสูตรนี่เป็นยังไงหรือว่าในสูตรนี้ตรัดสองหมวดโดยสองส่วนเพื่อแสดงมูลเหตุของปฏิจจสมุปบาท <c oughs> ก็โดยความต่างกันนะครับขอบเขตของอวิชชาเป็นอดีตยาวนานเพราะสัมโมหะมีกำลังแรงเนี่ยนะ คือให้ย้อนไปในสังสารวัตรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอวิชามันปิดอุ้มห่อมาตลอดเลยอนัญญาวาอาดีตชาติและอาชาตินี้ก็แล้วกันนะครับตั้งแต่พอเป็นผู้เป็นคนรู้ภาษีภาษามาเนี่ยนะครับพอมีวิชามองเห็นอริยสัจอะไรบ้างครับนั่นนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอวิชาเนี่ยปกปิดอย่างร้ายแรงนั่นนะขอบเขตของตันหาซึ่งเป็นอนาคตยาวนานเพราะความปรารถนามีกําลังแรงกล้าใครเคยคิดจะหยุดไหมครับ ดูสิสังเกตดูจากการวางแผนชีวิตประจําวันวันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่วางแผนว่าฉันจะต้องทําที่สุดแห่งวันทุกในวันนั้นวันนั้น<ช>น้อยมากใช่ครับแต่ว่ายงานตัวตัวไปมันคิดไปเรื่อยเนี่ยนะแต่คิดว่าที่สุดของที่สุดของทุกนะเย็นนี้พรุ่งนี้ปรืนรนี้ต้องให้ได้พันศานี้เป็นต้นเนี่ยนะปลาโรคลักษณะนี้น้อยมากเห็นว่าโอ้ตันหามันจะคิดพาไปเรื่อยนะครับจริงดังนั้นคนพาณ น ค, คนพ่านมากด้วยสัมโมหะคือหลงพร้อมย่อมเศร้าโศกถึงอดีตควรแนะนําคนพ่านผู้มากด้วยสัมโมหะนั้นให้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นต้นว่าวิชาปัจญาสังขาราสังขารทั้งหลายมีวิชาเป็นปัจจัยดังนี้นะครับควรคนที่โง่เขลาลงมากๆเนี่ยนะครับพคงจะแสดงเรื่องอดีตนะครับเรื่องอดีตมากๆเนี่ยนะเรื่องในอดีตเป็นต้นเนี่ยระหว่าง น, น้ําตาของเธอเนี่ยนะ ที่ไหลตายเพราะสูญเสียพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยมากกว่านา้ําเททะเลมหาสมุทรเนี่ยนะ<ม>เพื่อให้มีวิชาให้รู้ว่าโอ้อดีตที่ทุกยาวนานทรมานมาขนาดนี้แล้วนะให้สลด ใ, ใ, ใจนะครับคนผานมากไปด้วยความปรารถนาย่อมบนถึงอนาคตควรแนะนําคนพานผู้มากไปด้วยความปรารถนานั้นให้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดว่าตันหาปัจยาอุปาทานัง อุปาทานมีตันหาเป็นปัจจัยดังนี้นะครับหรือว่าด้วยบทนี้นั่นเองนะครับแสดงถึงมูลเหตุของปฏิจจสมุปบาทนั้นตามลําดับนะครับด้วยการเกี่ยวโยงจากส่วนเบื้องต้นถึงส่วนเบื้องปลายด้วยประการชนิดส่วนในคาถานะครับว่าที่บอกว่าตันหาทุติโยคือเป็นเพื่อนกับตันหาหรือมีตันหาเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับ จึงอยู่ตันหาย่อมทาสัตว์ผู้ถูกความกระหายครอบงาถูกความทุกข์ที่ไม่สนองคุณครอบงำบ้างอันเป็นหน้าที่ของสหายด้วยความพอใจและชักนำดุดสาคัญว่าน้าในพยับแดดในที่กันดารไม่มีน้ำกระทําไม่ให้เบื่อหน่ายในพบเป็นต้นแล้วเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตัหาเป็นเพื่อนของคนนะครับเป็นเพื่อนที่สองเนี่ยนะคือ ตันหาเนี่ยนะครับมันก็เพื่อนมันก็กระซิปเนี่ยนะมันก็ยังคาดหวังวันน่าจะมีความสุขสักวันหนึ่งนะเราที่ดูนะสัตว์ที่กำลังได้รับทุกทรมานเนี่ยนะเหมือนกับคนป่วยก็จะหวังเสมอว่าน่าจะหายป่วยสักวันหนึ่งน่าจะหายป่วยสักวันหนึ่งอยู่ชีวิตอยู่อยู่ด้วยความหวังอะนะเนี่ยนะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายโดยมากว่าสักวันหนึ่งชั้นต้องประสบสุขเป็นต้นเนี่ยก็หวังไปเรื่อยนะชีวิตในอนาคตเนี่ย ดังนี้ถามว่าก็กิเลสเป็นต้นแม้เราอื่นเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดในภพไม่ใช่หรือต่อว่าข้อนั้นจริงนะครับกิเลสอย่างอื่นๆก็พาปฏิสนธิด้วยนะแต่เป็นปัจจัยพิเศษไม่เหมือนตันหาคือคือเขาไม่ไม่เท่าตันหาว่างั้นเถอะเพราะตันหาเว้นจากกุศลอกุศลส่วนปัจจัยพิเศษเว้นจากกามาวาจรกุศลเป็นต้นเพื่อให้เกิด ในภพด้วยรูปราวจรกุศลเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าสมุทยสัจจังคือกรรมเนี่ยนะครับเฉพาะกรรมนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดในภพต่างๆแต่กรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดในภพสมผูกตามสมควรแก่กรรมนั้นๆแต่ตัณหามันผูกให้อยู่ในภพอย่างเดียวนะครับมันไม่สนใจนะครับแต่ว่าจะพาเกิดในภพไหนก็สุดแท้แต่เจตนากรรมนะครับนะสุดแท้แต่เจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาเป็นต้นนั่นเองไ อ่า น, นะครับท่นไปหมดอ่ะบทว่าอิถธพาวัญยะพาอัญญาถาภาวังได้แก่ความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นชื่อว่าอิถธพาวัญยะถาพาวนะครับทั้งหมดก็เป็นรูปเชื่อของสงสารนั่นเองนะครับสังสารวัตรนะเพราะอธิว่าสงสารมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นถามว่าเป็นอย่างนี้คืออะไรคือเป็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นคืออะไรอะไรก็ได้ที่นอกจากมนุษย์หงงเหมือนนเถอะ หรือว่าเป็นอย่างนี้ได้เกิอัต ภ, ภาพปัจจุบันของสัตว์นั้นเช่นปัจจุบันแบบแผมเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างอื่นก็อัตภาพที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือว่าอัตภา พ, าพมีรูปอย่างนี้ชื่อว่าอิถภาวะไม่มีรูปอย่างนี้ชื่อว่าอัญญถาภาวะนะครับมีรูปอย่างนี้บ้างมีรูปเป็นอย่างอื่นเป็นต้นบ้างบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่าง อื่นนั้นคือลำดับขันธ า, นาตุอายตนะไปได้ตาเนี่ยนะสีของตาอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็มีตาอยู่ดีนั่นแหละหูส่วนทรงของหูอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็มีหูอีกจมูกส่วนทรงไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็จมูกอีกนั่นแหละลิ้นรูปแบบไม่เป็นอย่างนี้ก็ลิ้นนั่นแหละกายอาจจะรูปร่างไม่เป็นแบบนี้แต่ก็กายอีกนั่นแหละจิตอาจจะไม่ใช่มหาวิบากน้าเกิดแบบนี้แต่ก็จิตอีกนั่นแหละครับบทว่าเอตมาทีนวังยตวาตันหังทุกขสาสัมภังแปลว่า ภิสุรู้ตันหาอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกนี้โดยความเป็นโทษความว่ารู้ตันหาอันเป็นแดนเกิดคือเป็นเหตุเกิดแห่งวัตทุกทั้งสินนี้อธิบายว่ารู้โดยความเป็นโทษอีกอย่างหนึ่งบดว่าเอตามาทีนวังยัตวาได้แก่รู้โทษคือรู้ความชั่วร้ายอันจะไม่ทำให้ก้าวล่วงสงสารตามที่กล่าวแล้วนั้นไปได้ บทว่าตันหังทุกขษสสัมภวังได้แก่รู้ตันหาว่าเป็นเหตุให้เกิดวัตทุก์โดยนยะที่กล่าวแล้วบทว่าวีตตันโหอานาธานสโตภิกขุปริภเชแปลว่าภิกษุเป็นผู้ปราศจากตันหาไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นเสียความว่าภิกษุกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามอย่างนี้เจริญวิปัสสนาไปปราศจากตัหาตามลาดับมัช ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากตัณหาคือมีตัณหาพ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยมัคคุร์เลิดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ถือมัน่นเพราะไม่มีแม้อะไรอะไรในอุปาทานสี่คือไม่มีอุปาทานสีในทุกอารมณ์นะเพราะปราศจากตัณหานั้นหรือเพราะไม่มีการยึดถือคือไม่มีอุปาทานอันได้แก่ปฏิสนธิต่อไปนะครับไม่มีพบใหม่อีกแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะทำ อย่างมีสติในที่ทั้งปวงด้วยมีสติภัยบย์เป็นผู้กำจัดกิเลสได้แล้วพึงเวนคือพึงประพฤติหรือพึงออกไปจากความเป็นไปของสังขารด้วยขันธปรินิพานนะครับก็ผาหานปรินิพานก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกได้สิ้นเชิงนะครับไม่มีขันอะไรเหลือแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะไม่ ไม่ถือปฏิสนธิในพบใหม่อีกเลยแต่ก็ยังมีบางคนกระเดียดเข้าใจว่าพาดหันท่านอยากเกิดอีกก็เกิดไม่อยากเกิดก็ไม่เกิดก็ยังไปขนาดนั้นอีกนะครับอะไรจะนักหนาปานนั้นนะครับถ้าสิ้นเชื้อแล้วจะไปเอาอะไรอีกนะครับแต่หรือว่าตัวเองไม่สิ้นเชือ้อคือตันหาจริงๆก็สำคัญว่าสิ้นเชือ้อ ก็นึกว่าตัวเองเนี่ยมีกรุณาต่อสัตว์นักก็เลย เ, เกิดอีกหน่อยว่าจะได้ช่วยคนอื่นอีกแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอรหันต์ก็สําคัญผิดว่าเป็นอรหันต์อาจจะเป็นอรหันต์แบบพระพาหิยะทารุจิรยะก็ได้นะครับสําคัญผิดไปนะคือคือสำคัญผิดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจากสองสูตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโมหะสูตรกับกามสูตรเนี่ยนะสองสูตรนี้มีอัตถะที่ ควรเอาไปพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษของกิเลสนะครับเพราะกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งวัตตนนั้นก็คืออวิชากับตันหานะครับสูตรโดยมากแสดงไว้เยอะนะครับว่ามีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบแล้วผมก็จะประกาศสัจจะด้านอื่นๆอีกต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่ารู้กิเลสสองตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับคือรู้าวิชายางดีนะ แต่จะรู้ว่าวิชาต้องรู้วิเครออาะห์อวิชาทุกแง่มุมนะครับและตันหาทุกแง่มุมนะครับถ้ารู้แล้วก็จะรู้ว่าเออนี่แหละคือสมุทัยนะครับต้นเหตุแห่งวัตถทุกขทั้งหมดนะครับเพราะตันหาและอวิชานี่แหละครับเป็นเหตุแห่งตาหูจมูกเลิ้นกายและใจนะครับรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและธรมรมารมณ์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวในสองตัวนี้สมุทัยสัตว์ของอดีตเพื่อมาเป็นแบบทุกวันเนี่ยนะ ของปัจจุบันเพื่อเป็นไปในอนาคตต่อไปอีกนะครับมันเชื่อมให้ยาวไปอย่างนี้แหละครับน่าสังเวชสลดใจนะครับ